ให้ใจยังสดชื่นได้แม้เพียงครั้งเดียวจากการหายใจสิบครั้งคุณก็ทำอาณาปานสติได้แล้วพอประสบความสำเร็จในการทำสมาธิรู้จักปีติสุขดื่มด่ำได้ทุกคนจะติดใจอยากเข้าสมาธิบ่อยๆกันทั้งนั้นแตกต่างจากช่วงที่ฝืนนั่งสมาธิแบบบวัวแร้งน้ำเป็นคนละเรื่อง การเข้าสมาธิแบบพุทธเราอาศัยอาณาปานสติคือการรู้ลมหายใจเป็นหลักเพราะคนดูทั่วทั้งกระไตปิดกคุณจะพบว่าพระพุทธเจ้าสอนทําสมาธิละเอียดละอเป็นขั้นเป็นตอนก็แค่อาณาปานสตินี่เองกรรมฐานอื่นเป็นเหมือนบริวารแวดล้อมหรือเครื่องต่อยอดที่ถูกลากจูงตามมาหลังประสบความสําเร็จในอาณาปานสติแล้วเท่านั้น นักปฏิบัติธรรมร้อยะเถูกโปรแกรมให้มองเหมาง่ายๆแบบผิดผิดว่าอาณาปานสติคือการนั่งหลับตาเพื่อจ้องลมหายใจจนกว่าจิตจะสงบซึ่งธรรมดามนุษย์นั้นเมื่อให้มาเพ่งลมหายใจเอาสงบย่อมไม่สงบแต่กลับจะยิ่งฟุ้งซ่านที่ต้องอยู่กับความอยากสงบทุกลมหายใจเข้าออกก็เลยรู้สึกไม่ถูกจริตกับอาณาปานสติ ที่ถูกต้องคือแค่ลองตั้งต้นด้วยการสังเกตจนเห็นความจริงว่าแต่ละลมหายใจเข้าออกนั้นให้ความรู้สึกแห้งเหี่ยวหรือสดชื่นต่างกันให้ความอึดอัดหรือโล่งสบายไม่เท่ากันให้ความรับรู้ถึงอิริยาบถปัจจุบันชัดมากชัดน้อยผิดกันเพียงเห็นความไม่เที่ยงในกายใจผ่านการสังเกตลมหายใจธรรมดาธรรมดาเช่นนี้ก็นับว่า เข้าเป้าอาณาปานสติแล้วนั่นคือถ้าเราหายใจอย่างสดชื่นได้แม้เพียงครั้งเดียวจากการหายใจสิบครั้งเราก็ทำอาณาปานสติได้แล้วทุกคนที่สูดลมหายใจและสดชื่นได้คือคนที่สามารถฝึกอาณาปานสติได้